พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่ากล้าทำก็กล้าได้มันลองทำไมวะชนีวะให้สมชายวะ ร้องไม่มีปีมีคุยวะแล้วมันจะมีอะไรด้ยขี้กากมันขึ้นวะคนโบราณก็ว่ามียายาแก้ขี้กากรเวลาฝนจะตกในขี้กากมันขึ้นนะมันคันเก่าหน้าเก้าหลังไอ้ในสมชายเหมือนกันมันฝนจะตกแล้วฝนจะยุดมันเลยขึ้นในมอของมันไลย ขึ้นในความรู้สึกของมันมันก็เลยคืบขึ้นมากร้องเพลงวันนี้เป็นวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2559หวันนี้เป็นวันอุโบสถวันสิ้นปีวันนี้เป็นวันเรือนส2องเพนในเขตฤดูฝนแปลว่าจบเขตฤดูฝนในวันนี้ แล้วก็กรถินที่จะทอดก็ทอดวันนี้เป็นวันสุดท้ายต่อไปถึงจะจัดทําบุญใหญ่ขนาดไหนก็ย่อเป็นผ้าป่าแต่ว่ากรถินไม่ได้หมดเขตกรถินแล้วก็เป็นวันอุโบสถของพวกเราเป็นวันพระใหญ่ ถึงยังไงก็ตามพวกเราทุกๆท่านนะพระน้องหนุ่งทางหลายพระสงฆ์ทางหลายให้ตั้ง อ, อกั้งใจปฏิบัติตัง้ง อ, อกตั้งใจศึกษาในหลักพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยพระหนุ่มหลวงพ่อเองอยากจะให้นี่แหละเรื่องปฏิโมกอย่ามองข้าม เรื่องปฏิโมกข์ในยาปองข้ามให้พวกเราใส่ใจในพระปฏิโมกข์ไม่เหลือวิสัยแต่เราท่องยากแต่ที่แรกน่นะัะพอท่องเข้าไปแล้วมันก็เห็นช่องเห็นทางแล้วก็เหต อ, อีกสักวันนงต้องจบแลนั้นในพระในวัดของเรามีตังเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้าน้อยผ้านุ่มควรจะ ฝึกกันขึ้นมาแล้วนะมีกี่องค์ก็ฝึกขึ้นมาซ้อมขึ้นมาฝึกขึ้นมามันก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเป็นบุญกุศลอย่างมากเพราะเราสวดพระปฏิโมกให้คณะสงฆ์ผลจากอาบัตเราก็เป็นผู้ได้บุญกุศลจากการแสดงพระปฏิโมกในถ้ำกลางสงฆ์ ถ้าว่าพระสงฆ์อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีพระปฏิโมกต์อยู่ด้วยกันไม่ได้นะต้องแตกก่กระโจยกระชัยถึงวันบวชสดก็ต้องนิมนต์พระทางอื่นมาสวดพระปฏิโมกหรือไม่เราก็ต้องไปรวมไปร่วมบวชสดที่อื่นเราจะอยู่เป็นพึกแผ่นไม่ได้เพราะว่าไม่มีพระปฏิโมกเพราะนั้นเรื่องพระปฏิโมกนะเป็น จะเป็นจุดจำเป็นและสำคัญในแต่ละวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงวัดใหญ่ที่พระมากมากอย่างพวกเราท่าน ท, ทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละพวกเราจะต้องมีพระพระปฏิโมกมุนเวียนเปลี่ยนกันสวดพระปฏิโมกข์พลเรเนพวกเราพระน้อยพระนุ่มทั้งหลายนะผู้ที่มีหลายพรรษาแล้วก็มีก็พยายามฝึก พอฝึกเสร็จแล้วก็ให้ฝึกซ้อมให้กล้ากล้าแสดงกล้าพูดกล้าแสดงต่อไปมันกอลรู้เรื่องราวมันก็เก่งไปเองหรอกไม่มีใครที่จะเก่งจากมาจากท้องพอ่อท้องแม่มันต้องเก่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดต้องมีความอุตสาหะวิริยะมีความหมั่นขยันในการท่องในการสาธยาย ต่อไปมันก็เก่งเองมันลุกมันสู้เราฝึกไม่ได้เท่าฝึก้มันต้องได้ทั้งนั้นแหละถ้าอ่อนแอปวกเปียกไม่สู้จใจไม่สู้แล้วก็ไม่ฝึกจะเก่งไม่ได้นะพาลูกพาลานทั้งหลายเพราะนั้นเร า, เ, าเป็นพระทั้งทีสิ่งไหนที่มันดเีเราต้องพยายามแข่งกับ ความที่ไม่รู้ของเรานะแข่งกับความไม่รู้ของเราต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นธรรมกล้าทํากล้าศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาอยู่เป็นวันๆไปทําเป็นวันๆไปอยู่เป็นวันๆจะไม่ะจะไ ม, จะไม่จะไม่เด่นนะจะไม่โดดเด่นถึงจะไม่โดดเด่นภายนอกก็โดดเด่นในตัวเองกล้าพูดกล้าแสดงกล้าทํา ในสิ่งที่ถูกต้องเขาถ้ามีใครใช้ามาให้ทำทาได้เพราะเราฝึกไว้ฝึกไว้ดีแล้วนะเนี่ยะเชื่อมั่นในตนเองพอเพราะเราเรา เ, า เ, าเกิดมาทั้งทีชีวิตไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วปลบๆบช่อนช่อนหมกหมกมุวมุสีสีไม่แสดง อ, ออกหน้าออกตาล้ำนาไม่ได้นะ มันต้องออกนะเหตุไหมสถานะของหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ในสถานะไหนหลวงพ่อมองดูย้อนหลังของตอนเองหลวงพ่อฝึกทุกวิถีทางฝึกทุกแนวทางอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ฝึกอยู่กับหมู่เพื่อนก็ฝึกการงานก็ฝึกวิธีการเรื่องต่างๆฝึกทั้งนั้นถ้าไปอยู่ในสัต ดูในสถานะของตัวเองที่ออกมาจากบ้านนอกขอกคาเมในชนนบทแล้วนะหลวงพ่อเองจะไม่ไม่เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เราไม่ใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้ปฏิโมกหลวงพ่อก็ได้สวดกระทิ้นสวดะได้ทั้งหมดแต่ว่าจะสวดเก่งไม่ได้แต่สวดเรื่องสวดศพหรือสวด อภิธรรมในส่วนหลวงพ่อยอมแพ้นะอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเพราะเราเป็นพระป่าเราเป็นพระป่าเราไม่ได้เคยเข้าไปในชุมชนสังคมเราไม่ค่อยได้สวดอยู่นั้นอนะ่ะเมื่อไม่สวดเราก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาในจุดนั้นจุดที่เรายอมแพ้เราก็ยอมแพ้ถ้เรียนมาแล้วก็ไม่รู้จะสวดยังไงที่ไหน เ, เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเพราะเราอยู่ในป่าเราก็ตั้งอกตั้งใจภาวนา สิ่งไหนที่มันยังมีความจาเป็นอยู่เราก็ศึกษาในจุดนั้นไปนะเพราะวิชาในโลกมันมีมากมายที่จะต้องศึกษาแต่ศึกษามาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้สวดถาาธยายเราก็ไม่ไม่รู้จะเรียนไปให้เป็นภาระเราก็ไม่ได้ศึกษาได้เรียนแต่ตัวนั้นเรายอมแพ้นะ่ะนี่แหละถ้าว่าตัวไหนที่เราได้ใช้ในวงการกรรมฐาน เราต้องอย่าให้ด้อยอย่าให้ด้อยในการเป็นอยู่ต้องสู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเรียนให้เข้าใจให้จบให้เจนจบในเรื่องที่เราจะต้องเป็นพระกรรมฐานเพราะฉะนั้นให้พระลูกฐานทุกองนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นผู้กล้าอ กล้าในการกระทําคุณงามความดีกล้าในสิ่งที่มันถูกต้องเออทํามันไม่ถูกต้องและสิ่งที่มันไม่ถูกแล้วอย่าทํำตัวนะทําเลยเสียหายเออสิ่งไหนก็ตามนาผิดทำวินัยแล้วถึงจะทําได้ที่รับถึงจะทําในที่แจ้งที่จะทําที่ที่ไหนๆไม่ควรทําทางนั้นเพราะอะไรมันเพราะมันผิดเอมันผิดต่อหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าสิ่งไหนถ้ามันถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะ นั่นแหะให้กล้านะอตรงพอไม่อยากจะให้เป็นพระมุมิ้วสีสีพเอให้มันถูกต้องอแต่อย่าไปให้มันบ้าบินจนเกินไปให้รู้จักมองตนเองเอหรือว่าการพูดก็เหมือนกันพูดไม่เลือกไม่มีจังหวัดการะเทศซาแบบบ้านับลายก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้รู้จัก ในการที่ควรจะพูดยังไงในหมู่ในคณะควรจะพูดยังไงในสาธารนณะจะพูดยังไงในเรื่องที่จะต้องจะต้องได้ที่แสดงออกในชุมชนสังคมในหมู่ในคณะต้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องได้พูดหาสรรนาคำพูดให้มันถูกกับกาลเทศ ะ, ะนะนี่หละ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายพาลูกพาหลานทั้งหลายนะให้มองตอนเองฝึกให้กล้าแต่ตามไม่จริงการที่จะกล้าจุดนี้นะหลวงพ่อก็มองไม่เห็นจุดอื่นเหมือนกันถ้าว่าจิตใจของเราเป็นสมาธินะจิตใจของเราเข้มแข็งนะจิตใจของเราตั้งอกตั้งใจภาวนา ติดใจของเราแน่วแน่จิตใจของเราเป็นสมาธิมันกล้าเองส่วนหนึ่งเหมือนกันนะกล้าพูดกล้าแสดงแล้วก็พูดออกมาก็มั่นใจในคําพูดของตัวเองพราะเหตุเพราะเหตุใด เ, เ, เ, เ, เพราะว่าเราได้กานครองตรกองด้วยเหตุและผลแล้วในเรื่องนั้นๆนะมันออกมาจา ก, กจิตใจนะพระลูกพระหลานพระนให้พวกเราทุกทุกท่านเรื่องปฏิโมกข์ในหลวงพ่อม่ให้มองข้ามนะ ถึงยังไงหลวงพ่อเคยย้ำไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะเรื่องพระปฏิโมกเราไปอยู่นสถานที่ใดเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็รู้จักวิธีการแล้ว ก, ก็รู้จักสวดอักคระนะ อ, อัคระเพราะว่ามันพระพระฟังหลายๆองค์นะแต่เราออกอัคระผิดเนี่ยดูแล้วมันออกมามันผิดนะถ้าเขาผู้ที่เคยสวดปฏิโมกไปแล้วนะ ถึอยังไงยังไงมันก็ออกอักระเนี่ยมันจะได้ดีกว่าที่พระที่ไม่ได้สวดพระปฏิโมกข์เพราะนั้นรึออกอักระเสียงรอเสียงรอเสียงสูงเสียงต่าเสียงอะไรออกมาเนี่ยมันมันมันดูดูแล้วมันจะน่าฟังพ อ, อไรเพราะว่าเราได้เคยฝึกสวดพระปฏิโมกข์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ มองปฏิพงก์นะอย่ามองคาบคือเป็นหน้าที่นะให้เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่สําหรับภาคภูเท่าก็ไม่ว่ากันละเราจะไปฝึกเมื่อแก่ก็ไม่ได้ให้ฝึกภาวนานพระภูเท่านะให้ตะอกตั้งใจภาวนาตะอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เ, เร่งเรีพอเพราอชีวิตของเรามาถึงปู่นี้แล้ว เ, เราจะไปทิ้งทิ้งทิ้งกว้างกครับ สิ่งเราอื่นมากเกินไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันต้องรู้จักอันไหนควรอันไหนไม่ควรจุดนั้นก็ใช่จำเป็นแต่เรื่องจิตภาวนาของเราเนี่ยจำเป็นมากกว่า น, นี่คือเรื่องจิตภาวนา เ, นเป็นหัวใจของเราที่เขามาบวชในคราวนี้ครั้งนีเ้เรามีความมุ่งมั่นมีความต้งตั้งใจที่เราจะเอาให้พ้นทบในวัฏสงสารถึงแดนพระานให้ได้ มองดูชึ้กจริงทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นล้วนแล้วแต่เป็นอันติจังโลกอมองดูโลกล้วนเป็นทุกขังมองดูโลกล้วนเป็นอนัตตาให้มองไปใดในะโลกล้วนอันิจังใดในะโลกล้วนทุกขังโลกใดๆในโลกโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาให้มองเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมด อันไหนคือเป็นของจิรังถาวรอันไหนคือของมั่นคงอันไหนคือความสุขที่แท้จริงอันไหนคือตัวตนของเรามองซอีมันมองเข้าไปส่วนลึกของหัวใจถึงจะไม่พูดออกปากให้ใครๆได้ยินได้รู้แต่ในใจของเรามองเวลาไหนก็ให้เห็นทุกอนิจ ang ทุกขังอนัตตาในจิตในใจของเราตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่า เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับะถ้ากิเลสขวางมันมันจะไม่ยอมรับนะถ้ากิเลสมันขวางอยู่ในจิต ใ, ใจมันจะไม่ยอมรับเอมันจะต่อต้านอยู่อย่างนั้นนะถ้าหากว่ามีสมาธิปราบจิตใจมันนิ่งแนละปราบกิเลส อ, อสยบลงไปในกิเลสมันสยบลงไปเพราะเอาธรรมะเข้าไปปราบมนะันอยู่ในความสงบแล้ จิตใจเป็นอิสระพอสมควรคือจิตใจผ่านสมาธิคือจิตใจผ่านผ่า น, นกิเลสให้เข้ามาครอบงา ม, มากตอนตอนที่จิตใจเป็นสมาธินะ่ะจิตใจพอถอยหามออกไปมันอิสระขึ้นมาทวกช่วงจิตใจเป็นที่เป็นสมาธินะ่ะจากนั้นเมื่อจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วนะเราจะมองเห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นได้ชัดนะ อแต่ถึงยังไงก็เถอะนะถ้าว่าไม่เป็นสมาธิล่ะหลวงพอ่อยังไม่เป็นสมาธิเราก็พิจารณาก่อนก็ได้นะเออีทุงอีลัง อ, อีนางพันทงอีลุงพันตังไปเรื่อยเนาะออีกสักวันหนึ่งแยงผิดแยงถูกเต่อไปมันจะถูกเองแนะหะเพราะอะไรเพราะมันมันใช้ปัญญามันไม่เหนือปัญญาของเราไปได้เนะพราะมันเห็นจริงๆเข้าไปแล้วมันก็รู้มันรู้จริงเห็นจริง แต่ถ้าว่าเป็นจิต ท, ที่เป็นสมาธิแนละ้อันนั้นจะดีกว่าเลิ่ประเสริฐกว่าเพราะนั้นท่านจึงให้มีสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิเป็นเบื้องต้นในเมื่อมีสมาธิเป็นเบื้องต้นแล้วจิตใจผ่านความสงบแล้วนะํามาพิจารณาทางวิปัสสนาจะเป็นพิจารณาเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังอนัตตาอสุภะปฏิกูลธาตุสีดินน้ำหลมไฟ พิจารณาเป็นไตรลักษณ์อเนจงังทุกขังอนัตตาปิต จ, จะมาเป็นเอามรักแปดสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะวายมะสติสมาธิเนี่ยคืออะไรอริยะตัตถีทุกเหตุให้เกิดทุกนี่คืออะไรกามะตัญหาภาวะตัญหานี่คืออะไรคืออะไรมรักฆะที่จะมาแก้ นั่นคืออะไรจนถึงได้สําเร็จวิมุตติยานัตสนะเาเลยวิมุตติยามีมุตติยานัตสนะาจนรู้แจ้งเห็นจริงตัดขาดาทัดศนะไปว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วแน่นอนนะอวิมุตติยาทัศนาะคือความหลุดพ้นของจิตใจจากบ่วงคือกิเลสราคะโทสะโมหะ รันขอให้พวกเรา ท, ทุกทกท่านนะอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราที่เป็นนักรอนักบวดที่มาอยู่ป่าดงพงภัยมาเสี่ยงอยู่อย่างนี้มาอยู่ตามลําพังอย่างนี้ต้องพยายามฝึกนะแต่ละวันแต่ละเวลาเดินจงกรมนั่งภาวนาอย่าได้ละเลยสิ่งภายนอกหมู่ให้ทําอะไรในหน้าที่อยูเวร เราก็ทําให้หนาทีเฮ็ดีที่สุดเมื่อออกจากเวรในการทนะํามันมีเวลาต่างเยอะแยะเราก็คากระโดดเข้าทําหน้าที่นั้นเราทําหน้าที่นั้นเห็ดีที่สุดเรื่องภาวนาเนี่ยนะเราพยายามภาวนาเดินโยกรมนั่งเดินยกรมทั้งวันนะอย่างตั้งหลวงพ่ออย่างพูดว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานในหะลูกหลานนะ่นะคือตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราไม่ตั้งจิตให้แน่วแน่นะมันหล่อแหละนะ หล่อเละโลกเละโรเล่ผลในสุดเหลวไหลล้มเห ล, เลวหลมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นเราต้องเข้มแข็งพอเข้มแข็งเราตั้งจิตนิฐานในวันนี้ข้าพเจ้าจะอดอาหารตลอดยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงลวันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งมาตั้งแต่ตอนเช้ามาข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สดุดจะไม่ให้เผลอล อ, ล อ, อยู่ตามลาพัง ดูดูตลอดเลยไม่เห็นมันออกไปข้างนอกถ้าสติอยู่กับตัวเองอยู่มากๆมันไม่เป็นบ้าหรอกไมีแต่จิตปุ่งฟุงปล่อยจิตปล่อยใจออกไปเออแล้วเหยคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้คิดปล่อยจิตใจออกไปจนไม่รู้ว่าอยู่ตัวเองอยู่น่าสถานที่ใดตนเขามาตกหล อ, อ, อ, อ, ยอยเออเออค่คอยสํานึกวัาตัวเองอยู่ที่ใดสติยังก้อยกลับคืนมาหาตัวเองอันนั้นใช้ไม่ได้นะ เสียหายส่งจิตออกนอกถ้าว่าจิตอยู่ในกับตัวเองนะมีแต่ดีทั้งนั้นนะพาลูกพาหลานนะให้บังคับดูนะให้จิตอยู่กับตัวเองให้สติอยู่กับตัวเอ ง, อ ย, เองอยุ่ตลอดเวลาแง่ตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ว่า น, ะนี่คืออธิษฐานก็คือตั้งใจมัน่นไม่มือไม่ใช่อย่างอื่นถ้าพูดเป็นตั้งจิตอธิษฐานนะเหมือนกับเรามันอยู่ห่างไกลห่างไกลเราแต่ตามไม่จริงในความหมายนะั่นคืออธิษฐานคือตั้งใจมัน่น ตั้งใจมั่นที่จะทำจุดนี้ที่จะทาจิตให้สงบที่จะให้มี ส, ต, ส, มญญ ต, มมสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองในเมื่อมีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองจิตใจก็จะรวมนะะเพราะจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานนะจะนนํามาพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพิจารณาครับความถึงความตายก็เห็นความตายชัดเจน พิจารณาอสุภะก็เห็นอสุภะชัดเจนพิจารณาถึงกันดูก็เห็นกันดูกชัดเจนเป็นชนาเห็นธาตุสีดินน้ําลมไฟก็เห็นชัดเจนมันชัดทั้งหมดเห็นเพราะอะไรเพราะจิตมันเน่งจิตมันอยู่จิตมันหยุดมันมองเห็นได้เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทีเดียวลเมื่อเรา จิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาก็เป็นเป็นปัญญาเห็นปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาจิตนั้นมันจิตใจมันหมุนเลยท่านนี้คล้ายๆมันหมุนมันเชื่อมั่นมันพิจารณาเห็นอันใดอย่างทุกข์ลางอันใดตาเห็นไตรลักษณ์จิตใจของเราลุ่มหลงมัวเมาเรื่องอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกาย มันจะมองเห็นเพราะจิตใจของเราใจสงบคืออะไร้ก็คือตัวผู้รู้คือนมามธรรมแล้วมันสงบมันไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านในเมื่อจิตใจตัวนั้นไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านมันพิจารณากายก็เห็นกายชัดเจนจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจของตัวเรียนก็เห็นชัดเจนเอกีกใจมันนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้มันก็มองเห็นได้ชัดในเมื่อจิตใจของเรารวมเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว คนนั้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ่การบูตรมาคราวนี้ครั้งนี้นะมันเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมดเมื่อหวัมุ่งหวังมักผลนิพพานตามอธิยประเพณีตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราเท่านั้นนะคนนั้นให้พวกเราทุกท่านทุกๆุกองนะให้มีความมุ่งมั่นและก็พร้อมกันวันพรุ่งนี้ผมก็ออกหลวงพ่อเองจะได้ออกไปธุระกับ ครูบาอาจารย์พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ขอให้พวกเราทุกท่านอยู่ด้วยความอู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีให้รักเมตตากันนะเหมือนกับพ่อผมเนี่ยเป็นพ่อเป็นเจ้าวาดนะพอจะหนีออกจากวัดเนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะนะกลัวลูกหลานทะเลาะกันทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งหมดน่นแหละแต่ที่ยัง้อดห่วงไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกองนะ ที่คมมาอยู่ศึกษาผมถือเสมือนเป็นอวัยวะของผมเองเหมือนกับแขนตีนมือของผมทั้งหมดพวกท่านทั้งหลายถ้ามีอร่อยขาดเหลือขาดพม ก, ก็บอกมาฮผมไม่ได้เป็นห่วงอย่างอื่นเรื่องปัจจัยสีพวกเรามาเป็นไปได้แต่ถึงยังไงเรื่องปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นละ่ะ ให้พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องศีล ส, สมาธิปรรัญญาเรื่องอย่างอื่นมันไม่มีนะพาลูกพาหลานนะแต่หาว่าเราส่งใจออกไปข้างนอกมองกันในแง่ร้ายมองกันที่ว่าคนนั้นมีอย่างนู้นคนนี้มีอย่างนั้นออกไปมากระเตลกันได้ง่ายๆแต่้าว่าทุกคนมองถึงมักถึงผลหมั่มองถึงจุดหมายปลายทางของเรา เราบวชมาเพื่ออะไรมาอยู่จุดนี้มาปฏิบัติธรรมตรงนี้มาเพื่อหามรรคผลใหพพ่านถ้าเราจะหาทางโลกเราไม่ควรจะอยู่อย่างนี้เราควรไปหาทางอื่นตรงนี้ไม่ใช่หาหาอติเลขลาบไม่ใช่หาวัตถุภายนอกหาใจเท่านั้หาใจเข้าสู่ธรรมขันสนอกอขันใจหาออกจบ เอาใจขันเอาเข้าเสนอเอข้าหาธรรมนะใจมันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเนะี่ยเอาสมาธิจับสติจับให้เป็นสมาธิเลยนี่แนะเราเพื่อจุดนี้นะในมาบวชในคราวนี้ครั้งนี้แต่เมื่อเราทำได้เมื่อจิตใจของเราบริสุทธุดพุพนแล้วไม่มีอะไรที่จะมีที่จะเหนือกว่าเลิศประเสริฐที่สุด นตถีสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบคำนี้เป็นเป็นระดับขั้นตอนนะสงบน้อยนึงก็มีความสุขในระดับหนึ่งจนขนบสงบราบคาบนะคือหมดจดจากกิเลสกิเลสไม่มีใน จ, ใจิตใจอันนี้ไปว่าความบริสุทธิ์จุดพ้นจุดนั้นนะเป็นความสุขอันเป็นอมตะ เป็นความสุขที่ยังยืนเป็นความสุขที่ไม่กลับกรานะครับถ้าว่าเราเอาให้ลากข้าวตอดถอนกิเลสภายในใจของเราได้นั่นละอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขเตองสมาธิเสื่อมจากสมาธิแล้วก็ความทุกข์มันก็เข้ามาอีกแทนที่อีกเราก็สู้ไปสู้ปัตตุเปสูวัตถุเบียงไปขนาผลไม้สุดกันนะ เราเอาชนะมันได้ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่พะนั่นอให้พวกเราทุกๆองค์นะหมวดมาทั้งทีอย่างน้อยก็ให้ได้จิตใจจิตใจของเราได้รับความสงบเห็นผลแห่งสมาธิก่อนที่จะเห็นเห็นผลได้ทํำยังไงให้ไม่ใช่มาอยู่เป็นวันๆเออแลเหยไปเรื่อยๆจิตใจไม่จะสงบไม่ใช่นะปลาลูกปลาหลานนะต้องมีตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะตั้งจิตอธิษฐานคือความตั้งใจมั่น เออเอาเถอะจดวันหรือสามวันหรือสองวันแล้วทุกวันหนึง่งเอ่อข้าพเจ้าจะทดลองดูไม่ให้จิตใจส่งออกไปข้างนอกเลยให้อยู่กับพุดโทอย่างเดียวขาขวาพุดขาซ้ายโทลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุธหายใจออกโทหรือใบใหม่เราอาจจะนับหนึงสองสามอย่างที่ว่าก็ได้หรือว่าเราจะพุดโทหายใจเข้าพุดหายใจออกโท หายใจเข้าทำหายใจออกโมทำโมสังโคพุทโธทำโมสังโคพุทโธทำโมสังโคพุทโธทำโมสังโคพุทโธทำโมสังโคอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจากนั้นก็ยังค่อยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธต่อเลย มันร้วนแล้วจะทำพิธีการเพื่อจะทำจิตใจให้สงบได้ทั้งนั้นนะพลูกพหลานนะอันตอนนี้ไปสูดท้ายปฏิโมก